แต่ถ้าหากว่าไม่มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันถึงจะเล็กก็ใหญ่ใหญ่ยังไงเพราะว่ามอบให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แบกมันก็หนักแลยสิ เ, เหมือนกับถอนไม้ถ้าหลายคนแบกหลายคนก็ไปช่วยกันหามถึงจะถอนไม้ใหญ่มันก็ไปได้แต่จะให้คนเดียวแบกจะบไบปหรืเหลือไม่ไหวฮ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 มันก็มาทางหลังก็ช่วยกันมันมันตีกันหนาบคนพยามัรจุราชเนี่ยส่งทหารมาตีกายนครกายยนครคคือตีร่างกายพยามัรจุราชเนี่ยคือพญาทินะพยพะยญาทิคือการเก็บไข้ได้ป่วยมันมาตีทางจมูกเป็นหวัดเป็นไออ่แล้วก็พร้อมกันมันก็เข้ามาตีทางหลังองีก มันเอวเอกีกปวดหลังอกีกเวลาไอเนี่ยเวลาไอ้หรือจามมมันก็กระแทกไปหาตัวตัวหลังอกีกมันปวด น, ะนี่แหละทหารพยามัจจุราชมันตีทั้งสองข้างใช่แต่ที้พญาจิตรราชเจ้าของเจ้าของพุ่นแนวความคิดก็ไปหาพญาเพศัตพญาโอสถ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 อย่างทายยาไทยยาจีนยาฝรั่งมาเพื่อจะรักษาพญาจิตรราชนะะมารักษาปกป้องเมืองของตอนเองกินให้เพื่อรักษาเอาไว้พยาโอสถพยาทหารพญาจิตรราชส่งพยาโอสถกับพยาเพสัตชคือยาน เข้าไปปกป้องถ้าหาว่าชนะขึ้นมาประยญาจิตรราชก็ดีใจเพราะหายจากโรคไัยไข้เจ็บพญาทหารพญามัตจุราชกับป ร, ราชัยหนีออกไปซะก่อนไปพักทัพอีกสักวันหนึ่งวันดีขึ้นดีตีเข้ามาเอก <c oughs> ก็สู้กันอยู่อย่างนั้นแหละาบางทีก็สู้กันไปสู้กันมา ร่างกายกันเนี่ยเหี่ยวแห้งไปไเรื่อยบางทีพยาธิมัจจุราชเนี่ยมันตีแบบไม่ใช่ตีแบบหักโหมนะตีปัดแข้งปัดขาไปเรื่อยบางทีกับตาฟ้าฟางบางทีกัหูตึงบางทีก็ฟันหลุดหนังเหี่ยวผมงอกปวดนั่นปวดนี้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 วิ่งนี้จะ ก, กายยนครพญาอดสดก็สู้ไม่ไหวพญาเพศ์ก็สู้ไม่ไหวแตกแตกไปนคนละทิศละทางส่วนพญาจิตลาดที่เป็นเจ้าของเมืองนเนี่ไปเปิดแหนบไป อ, ออกจากกายยนครไปแต่ว่าก่อนออกจากกายนครไปนี่นะจุดนี้แหละสำคัญ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 เออเอาเพชรนินจินดาเอาไปไว้ต่างแดนไปไว้ที่ไหน เ, เตรียมการเอาไว้เผื่อว่าเราพ่ า, ายแพ้จากการยนครจุดนี้แล้วแพ้พ่ายแพ้ต่อพญามัจจุราชแล้วเราก็จะได้ไปพึ่งพาอาศัยเงินคําทรัพย์สมบัติที่เราไปฝากฝังเอาไว้เราจะได้พึ่งพาอาศัยแต่ถ้าพระพยามจิตรราช ได้วางแผนอนาคตของตนเองอย่างนั้นถึงจะพ่ายแพ้ไปก็ไม่หลุดลุ้ยจึงไม่ทุกยากลำบากเพราะเหตุไรเพราะได้เตรียมการเอาไว้พอสมควรแต่ถ้าหาว่าพยาพยามจิตรราชโง่นะเออมีแต่กินเหล้าเมายาสุรานารีภาชีกีลาบดไม่ได้คิดอะไรเลยมีแต่คิดสนุกอย่างเดียวนะออพอพระยาบัรจุราชตีเมืองแตกเท่านั้นนะเออมีแต่ภาค